มือ่อดีส่วนที่ต่อคือท่านจะต่อ้งราใหญ่ออกไปให้ถงสระตอนนี้มันจะมีส่วนที่เป็นราคามันต่อมั น, มนบากะท่านเอเพาว่าเดี๋ย ว, วมันรั่วต้องแก้ ม, มันหลายทีนี่กพี่ชายก็บอกว่าอยากจะโครงการท่านเร่งไว้ยิงอยากให้เสร็จเร็วที่สุเป็นทำหรอครับงการ่านทํางท่านว่องไว ท่านจะยอมให้ เ, หเยอะๆบาในในใน ง, ง, งเวลาได้มันมันกิดอยาแล้วนี่ทุ่มทุ่มงไปใมันเสร็จกไปเลยไม่ป่อให้มันเลืเลยอยเเ่อไปเร่อยๆโดยไม่มีเหตุไม่มี่ลมันไม่เกิดตัอย่างไรทำอแล้วก็ทำมันเสร็จๆไปเลยเสร็จแลมันก็นสบายมันไม่เป็นภาระต่อไป เหมือนทีบอกว่าท่านกำลังสงไปว่าให้ทำดีที่สุดเรื่องคุณภาพเรื่องเมือเรื่องอะไท่านท่านท่านนั้นทเื่มันได้ดีเพื่ดารคือถ้าถ้ามีงานอยู่แล้วก็ถ้าต้องต้องใช้มันก็ใปเรยไม่เสีย ขางิเชียตัววนะคะี่ส่วนที่ต่อมาทั้งหมดนี่ิบสองนะคะแล้วก็พอดีมาแก้เพราะว่าขั้นข้าวต่อคือหลวงตาท่านคงขึ้นบันไดไม่ได้แล้วท่นก็ให้แก้ดึงทางทางลากขึ้นไปต้องเดนขึ้นหัวลงงอยนะต้องหันต้องหันอย่านกันหัน ถ้าพูดถึงเรื่องของตท่านทาอะไรเร็วนี้หลังจากที่ปุ่มั่านท่านสะมองล้ภาพแล้วท่านกะเร่งปีกปีหลอมมาก็ไม่ได้ทำเลยท่านเร่งท่านเป็มที่เลยเื่องการปฏิบัติของท่านท่านท่านก็ปฏิบัติเร่งอ่ตลอดเวลาแล้วก็พอในช่วงที่หลวงปู่บ้านท่านมาเนี่ยครับช่วงนั้นติดของท่านก็กลัง แต่ว่้กําลังเข้าเข้าอยู่ในในจุดส่งทานอย่ก็ยังอยู่กับภายนมนงท่านแต่กาปิบันนี้เราอย่าเราไม่ควรที่จะค่าว่าใจเย็นๆปฏิบัติไปเรื่อยๆคเห็นพยมเลย่อชุวงเท คือวิจิตใจให้ออกมาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เจ็บๆไปเจ็จแล้วมันก็มายพองานที่เสร็จแล้วก็มีางานอะไรที่ต้องทำต่อไปที่ท่านาตัดไว้วิจิดตังเราจะเรื่อยๆเจ็บกิดแห่งพรมาจาร้แล้วก็ไม่มีเจ็บกิดัะไรที่จะต้องทําต่อไปแต่ถ้ากิดทางแเราถ้าว่าทําไปจนหมทางก็ไม่จบ ับงานนี้มันก็มีงานหม่ให้ทาต่อเรื่อยๆสร้างสร้างสติร่างนี้เสร็จแล้ววก็มีรางใหม่ให้สร้างมีจาระรางใหม่ให้สร้างมีงานงอย่างใหม่ใหอย่างารงานทงลกนกาต้องเร่งทนนวันตายที่ช่วยส้างโรงพยาบาลสร้างสุขุสร้างอะไรอย่านี้แต่งานของท่านถ้เสร็จแล้วนี่งานภายนอกทําไปอกไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะท่นไม่ได้หวังอะไรจากผลงานจากภายนอกงานภายนอกที่ทำเพื่อสงเครามครอบ้อื่นอโดยตรงแต่งานที่เราต้องทำจริงก็คืองานภายใน ง, งานที่งานจิตงานของเรางานเขาเรียกว่างานตัดทบตัดชาติถ้าเราไม่ตัดทบตัดชาติตัวทบชาติานั้นก็จะพาให้เราไปสร้างงานขึ้นอยู่เรื่อยๆตายจากพพบนี้ไปก็ไปเกิดพพบใหม่ก็ต้องไปสร้างใหม่ ทีวเวลาราไปเกิดแต่ละชาตินี่มันลำมากขนาดไหนพอเกิดมาเป็นวันนี้ต่อมาจากท่องพ่อทั้องแม่ก็ต้องก็ต้องเรียนก็ต้องเรีย น, นเรืเร่องราวต่างๆเรียนภาษาเรียนรู้อะไรต่างๆไปโรงเรียนแล้วก็ต้องไปทำมาหากินสร้างครอบครัวมีงานมีการอะไรเต็มไ ป, ป, ปนหมดจนถึงนอนตายแล้วก็วนไปใหม่เริ่มเล่าใหม่ก็แบบเดิ งานพวกนี้เราทำมาแบบน้ำไม่ทั่วนะพวกชาติของพวกเราเนี้พระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสว่าในแต่ละภพในแต่ละชาตินี้เราจะต้องร้องห็นร้องไห้กันเพราะความทุกข์จากเรื่องราตวต่างๆนี่ย้ำตาในแต่ละพพแต่ละชาติถ้าเรากระทำไ ว, มมว้มันจะมีมากหร่อน้ําในหนาหรือเปกเช่นเดียวก็แล้วแต่ว่าในแต่ละชาตินี่เราก็ร้องไห้กัน น้ำตาคงจะได้ไม่ถึงขังถ้าเราโยโย่มาแล้แต่ถ้าถาาถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้ามันมากถึงขนาดมากกว่า น, น้ำหนาเสมมียดนี้จะต้องแสดงว่าต้องมีครคชาตจานวนมากเท่าไหร่ถึงจะได้น้ำตาจํานวนมากกว่า น, น้ำหนาเสมมียหมดนั่นก็คือครคชา้าของพวกเรางานของพวกเราที่เราทํำกันอยู่วันกันอยู่ทำกันอยู่สร้สางสร้านี้มาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นงานงานงานภายในนี้ทําเลยเท่าไหร่ก็มีสิ่งสุดก็มีจบลมาก็จะเป็นงานที่สร้างความทุกข์สร้างความยากสร้างความลำบากให้กับเราตลอดเวลาไม่เหมือกับงานภายในงานภายานก็คืองานธรรมะจิตใจํารมะอื่นปัญหาความรู้ความกลัความหลงความอยากต่างๆนี่เพื่อเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราไปสร้างทุกข์สร้างยากกัน ถ้าเราสามารถชนะทําจัดความยุ่ความโกรธความหลงความอยากต่างๆทในในในในี่มีอยู่ในใจของเราให้หมดขึ้นไปได้เราก็จะอยู่อย่าสบายความยุ่วิความอยากต่างๆนั้นมันเป็นเป็นที่ไม่อิ่งไม่พอจากการที่เราได้กระทาตามสที่เราอยากสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราให้เราได้มาเ ท, ท่าไหร่ เราก็ยังจะไม่รจักคําว่าพออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ถึงคําว่าพอเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระ พ, อพอานั้นท่านทรงทุกขี่ที่จะทําให้เราถึงเมืองพอเมืองพอก็คือการทําลายความอยากนี้เองการต่อต้านความอยากการต่อสู้กับความอยากความนีากต่างๆ พราความโลภความอยากส่วนใหญ่มันไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเราเราไม่มีเงินเป็นเศรษฐีเราก็ไม่เราก็อยู่ได้เราไม่มีรถยนต์เราก็อยู่ได้เราไม่มีบ้านเราทาแปลงเราก็อยู่ได้ของพวกนีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นจาเป็นก็ก็มีบ้านบ้านก็อาจจะเช่าก็อยู่ไปละเช่าแล้ว ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะดูบ้านของเราเองถ้าบ้านก็ อ, อยู่ก็เพือเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์เหมือนกัน<ม>เป็ น, เ ป, นเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อพาเครื่องที่เราพอจําเป็นจะต้องใช้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคางแพงซึ่งมีหลายชุดของพระท่านจะสอนให้ใช้ผ้าสามผืนผ้าใบคือมีผ้ากระโดงคือเป็นผ้าเ น, น่น น้ากีวอนก็เป็นผ้าห่มล้วก็ผ้าสังฆาเิก็เป็นผ้าห่มกันหนาวาถ้ามีจานถือนี้ก็ผอเพียงนะสําหรับเครื่องมืมไว <c oughs> ้ปกปิดป้องกันร่างกายจากความหนาจากจากลมแรงต่างที่จะมากัะทำในร่าง ก, า, น า, น า, นกายเก็ดคล้าได้ป่วยถ้าเราถ้าเรารู้จักว่าอะไรมันเป็นเกิดด้วยจาเป็น แล้วเราเรื่องว่าอะไรหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นเสิ่งที่คู่ตัวเราก็พยายามตักไอ้เสิ่งที่มันไม่จำเป็นเสินงที่เป็นคู่ตัวออกไปเป็นวิธีการจัดความอยากของเราถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นแล้วเราก็จะตกเป็นท่าขันความอยากอยู่ตลอดเวลาเราจะเชื่อใหม่ตัวนี้มาวันนี้เราใสเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกไปที่นั่นเราเห็นเชื่อใหม่ออกมาเราก็อยากจะได้เลย ทางที่เสื้อก็มีเป็มตู้แล้วร่างกายก็มีร่างกายอันเดียวเวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละตัวแต่มีเสื้อเป็นสิบๆตัวในชั่วโมงก็มีอาการทำไมนี่แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ของความอยากถ้าเราปล่อยไปความอยากมันก็จะมีกําลังเหมือนกับเราโมกติดต้นไม้ ถ้าเราถอยลดนาน ใ, าใส่ตม้มะใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรตัม้มะมันก็จะลอยนอกงานความอยากของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราปล่อยไปทางความอาเราอยากจะได้อะไรแล้วเราก็ไปหามาตามความอยากมันก็จะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีที่สึน้นแต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็แยกพยายามแยกแยกดูกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเหรือไม่ เชื thing, ่อเป็นสิ่งที่พึ่งพ่วยถ้ามานเป็นสิงที่พึ่งพ่วยไม่จำเป็นเราก็อยากไปเอามาถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปภยยามันก็จะถูกถือําจัดถือลดถูกลดกําลังลงแทนที่เราจะเท่น้อยแล้วต่อไปมันก็จะได้สามารถมีอํานาจมามาเป็นเจ้านายเป็นตัวที่ลากให้เราไปเกิด ไปสวงหาสิ่ ง, งต่างๆต่อไปได้เมื่อเราสามารถเอาชนะความยากด้แล้วใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอเขมาเพราะใจจะจะสงบจะนิ่งจ ะ, งะเย็นถราเกิดที่ใจของเราไม่สงบไม่นิ่งก็เพราะว่าความอยากความยกเป็นตัวที่คอยไปกระตุ้นไปคอยผลักดางให้จิตองเราต้องทำงานตยา่ตลอดเวลา ดังนั้นงานภายในจึงเป็นญาที่สําคัญยิ่งกว่างานภายนอกงานภายนอกนั้นทำเท่าที่จําเป็นอย่างวัดสมัยที่ไปอยู่วัดเขาตบาอาจารย์ก็เน้นแต่เรื่องงานภายในเป็นหลักอาารย์พยายามให้พระภาวนาให้ว่าผลงานภายนอกก็ทําท่าที่จาเป็นเช่นถ้ามีความจำเป็นจะต้องต้องแฉงกุฏิพระให้ทําให้ริษธ์ทำทำให้เสร็จ แยากไยืมเงี้ยก็ทาเท่าที่จำเป็นถ้ามีความจําเป็นจะต้องสร้างสติก็สร้างเท่าที่จำเป็นถ้าไม่มีความจําเป็นถึงแม้มีคนจะถวายเงินมาให้ข้าสติท่านก็ไมรับท่านก็จะส่งเงินเกินมไปบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะท่านไม่เห็นควาไม่เห็นคุณค่าของงานภายในงานภายนอกาอ ง, งานภายนอกถ้าเราปล่อยแต่การทานยาแล้วมันจะทาเรา ให้สร้างอะไรได้พิสดารอยู่วัดบางวัดเพ้่อสร้างเป็นอย่างใหญ่โตมโหฬารพิสดารขึ้นไปมันไม่มันไม่มีความหมายอะไรไหรอกสร้างวัดถุมันไม่เหมือนกับสร้างธรรมะภายในจิตใจดังนั้นพวเราโดงหยาหลงประเด็นอยากเป็นหลงกับการสร้างสิ่งต่างๆสะสมสิ่งต่างๆภ า, ายนอให้ ม, ามาันมากเกินความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราน เพื่อเราจะได้มีเวลาหรหรือมีเวลามาสร้างสิ่งที่ดีที่งามภายในจิตใจของเราถึงว่าถ้าเราทํา ง, งานหาเงินหาทอาพอเพียงแล้วเราก็อาจจะหยุดทํา ง, งานก็ได้ถ้าเราคิดว่าเงินที่เราจะามีวันนี้มันพอที่เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อน <c oughs> เราจะได้มีเวลามา ศึกษาธรรมะมาฟังเทศน์ทำธรรมแล้วมาปฏิบัติทำตามที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเาการปฏิบัตินี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับการทํางานสายเนาเหมือนกันเราต้องควบคุมจิตใจของเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเป็นกระทั่งหลับเลยเพราะถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราจะไปในทางเดิมหรือไปแต่ในทางโลกทางโกด ทางหลวงจะตามความอยากต่างๆอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากใด้รสอยากใด้โอสถพรโสดภะพระถ้าเราปล่อยให้มันมีปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะหลงไหลาตามา ม, า ม, า ม, า ม, ามันมันก็จะพาเราไปในเวลาเราไปเ ท, ท, ที่ยวทานสถานที่ต่างๆไปดื่ไปรักประทานของอะไรต่างๆการความอยาก มันก็จะเป็นการสุดละให้เราติดพันกับมันแล้วกาจะทํำให้เราต้องทำํำเย่างนี้อยู่เรื่อยๆจำจำสัจจะว่าทําแต่เท่าไรมันก็ไม่ผงไม่อิ่มแต่เมื่มีความสุขมันมีความสุขเวลาที่ได้ทําแต่เวลาที่อยากได้ทําแล้วไม่ได้ทํามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่มันจะไม่ได้พาเราไปสูค่ความความ ความพอความความอิ่มควนมอิ่มความพอนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงการสอนคือการภาวนาเป็นหลักการภาวนาก็ต้องอาศัยศีลการรักษาศีลการให้ทางเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะจิตใจที่ยังไม่ามีมทานยังไม่ดีศีลเราเป็นจิตใจที่มีความวุ่นวาย พอสมควรกับเรื่องราวต่างๆการให้ทานนี้เป็นการปัดตัดใจของเราไม่ให้ใจยุ่นลอยกับเรื่องราวต่างๆภายนอกเรื่องอะไรมันมีทองหรือใช้เราก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาเงินทองหรือกับการหาเงินทองมาเพิ่มเพราะใจนี้ธรรมดาความอยากมันอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ มีกี่ร้อยกี่ร้ยล้านก็ยังไม่รู้จักพออยากจะได้มีมากขึ้นไปเราจึงต้องพยายามตั้งใจทานอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้ตัดความโลภความอยากแล้วก็ตัดความ <c oughs> ความวุ่นวายกับเสิง่งต่างๆที่เรามีอยู่เราเพียงแตรักษามีเป็นที่เราจำเป็นจะต้องมี้าพอเพียง เมื่อเรามีสิ่งนี้แล้เราก็ได้มีเวลาไปทําทางงานทางด้านพัฒนานต่อไปอเมื่อถ้าเราได้ให้ทำอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่มีความเมตตามีความเมตเพื่อเปล่งแผ่มีความสงสารใจเราก็จะทำเวลาจะทําอะไรเราก็จะไม่เดือดเบียนผู้อืเราก็จะเป็นคนมีสิ่งที่มา เวลาเราอยากจะทำอวลาเราต้องทำหนึงเป็นความรู้สึกของผู้อื่นว่าเราทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าเราทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเมื่อเรามีความวิ่นวายใจใจเราก็ไม่มีความสุขมีความสุขแต่ถ้าเราให้ทานมีเมตตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็ไม่อยากที่จะดุจยินตัวเองใจของเราก็จะมีความ สงาในระดับหนึง่งเมื่อมีความสงบแล้วเราก็จะเราก็จะเห็นคุณค่าของการสงบของจิตใจเห็นโทษของการวุ่นวายของจิตใจก็อยากที่จะทําให้จิตใจมีความสงบมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องปฏิบัติทมเราก็ต้องภาวนาครับเวลาต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญ ส, สติอยู่เสมอเพราะสตินี้เป็นเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในการ ควบคุมจิตใจจิตเป็นเหมือนกับ <c oughs> เป็นเหมือนกับคนที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจําที่คอยคอยคอยเฝ้านักโทษไม่ให้หลบหนีออกมาห้องคำแต่ใดถ้าไม่มีสติติเลศความโล้ความอยากต่างๆก็จะสามารถเรือลอดออกมาสร้างความมีวายใจได้แต่ถ้ามีสติพอ ความโลภความโกรธจะแสดงอาการออกมาก็จะรู้ทันทีเมื่อรู้ก็จะสามารถป้องกันได้สาเหตุที่เราปล่อยให้ความโลภความอยากไหลออกมาเนั้นก็เพราะว่าเราเผยรัตปิเราไม่ดีตัวเราหลงไปกับมวนคาถาของความโลภความอยากพอเห็นอะไรพอเขาบอกว่าสวยหน้าหน้าน่าหนาหนาดีน้าน่าจะได้หรอกเป็นของ เราท่านี้มันก็กลายเป็นความอยากเป็นเหมการความโลภขึ้นม า, า, า, ลนมาแล้วถ้าเรายังไม่มีสติไม่รู้สึกเจอว่าเรากําลังถูกถูกความโลภหลอกให้เราไปไปแสวยหาสิ่งที่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้กับเราเราก็จะเสียเวลาไปทําในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่านี่เรากําลังโลภและยิ่งถ้าเรามีปัญญาก็รู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับจิจใจอะไรเป็นสิ่งที่มีโทษกับจิตใจถ้าเรารู้เราจะสามารถนับดับมันได้ในขณะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจถ้ามันถ้ามันไม่รู้ทันเวลามันออกมาแล้วมันแสดงอาการออกมาทางกายและทางวาจาตอนนั้นมันจะมันจะสายไปแต่ถ้าเรา เราเกิดความอยากที่อยากจะไปเที่ยวแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกความอยากนี้หลอกว่าเออมันน่าจะออกไปเที่ยวนะเราอยู่บ้านานานหลายวันนละ้ควรจะไปเปิดหูเปิด ต, ตามากมันก็จะหลอกเราพอเราของเราไม่รู้แล้วก็ไปออกไปเที่ยวพอไปเที่ยวกลับมาจิตใจของเราแทนที่จะสงบมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมมันกลับเกิดความ <c oughs> อยากที่จะออกไปเที่ยวอีก แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ทันว่าการจะเที่ยวนี่มันไม่ได้ช่วยทําให้จิตใจมีความสงบมีความนุ่งเย็นแต่มันเป็นการไปกระตุ้นไปสร้างความอยากให้มีกาลังมากขึ้นทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวครั้งต่อไปความอยากที่จะออกไปเที่ยวมันก็จะมีกําลังวังชา ม, มีแรงมากขึ้นมันก็จะคอยฉุดรากเราออกไปไเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะไม่สงบไม่นง่ง ก็จะไม่เจอความสุขไม่เจอความเบ่อเจอความพอเราจึงต้องฝึก ด, ดูใจเราอยู่เสมเอด้วยสติคือถ้าจะตื่ตตนขึ้นมาเลยท่านสอนว่าให้เราคอยสังเกตดูความคิดของเราว่าเรากำลังจะพิจจะทําอะไรว่าธรรมดาเวลาเราเป็นขึ้นมาเห็นว่าเราก็จะลุกตาแล้วเราก็จะมองดูว่าตัวเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเวลาอะไร เราจะต้องทำอะไรพอพอเราเริ่มรู้สึกตัวว่าอตอนนี้ตอนเช้าแล้ววันนี้วันจั น, น, นจรทน ร, ร์วันนี้เป็นวันจันทร์เราต้องไปทํางานเราก็จะรีบต้องรีบออกตรงเข้าห้องน้าห้องท่าทําอะไรถ้าเราไม่มีสติเราก็จะปล่อยให้ความคิดนี้มันลากผานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะคอยกําหงดูว่าถึงแม้วันนี้เป็นวันจันทร์แต่ตอนนี้เราไม่ต้องทํางานแล้ววันนี้เราออกทำงานแล้ว เราก็ไม่ต้องไปทํางานเราก็ไม่ต้องรีบนอนกนได้เราก็คอยดูคอ ย, <c oughs> ค, อยคอยคอยควบคุมใจว่าตอนนี้เรากําลังจะปฏิบัติทำเราจะคอยดูใจของเรารอยู่ตลเวลาเวลาก่อนที่เราจะทําอะไรก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องรู้ก่อนแล้วต้องต้องแยกแยะ ก, ก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปทําสิ่งที่เราจะไปพูดนั้นเป็นสิ่งที่ จำเป็นหรือไม่เป็นเป็นคนเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเราถ้าเรามีสติคอยเที่ยวเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจจะไม่ไปกัลเวลาที่เราจะควบคุมบงังคับให้จิตอยู่กับการภาวนาก็จะอยู่ได้ง่ายดัถึงเวลาเราอยากจะให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกม่ให้ไปเคลิบเคลิ้ม อ, อะไรถ้าเรามีสติอยู่เราก็สามารถเท้าดู ให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพอจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติเราก็จะรู้รู้แล้วเราก็เดินมันกลับเข้ามากลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ดูการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราสามารถควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆจิตก็จะสงบตัวนั่นไปทียร์เล็กเทียรน้อย แล้วไม่ช้าก็เลยทั้งวันหนึ่งจิตก็อาจจะหยุดไม่เงนก็ได้หรอจิตไม่คิดไม่อะไรจิตกะตั้งอยู่ในความสงบความสมบงบของจิตนั้นก็มีอยู่หลายระดับในระดับเบื้องต้นก็ยังสบงบเฉยๆแต่ยังรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นยังรับรู้เสียงรับรู้เรื่องราวรอบตัวยังร้จุดว่ายังมีร่างกายอยู่ในตัวขเขาอยู่ในจิตอยู่ แย่างถ้าปิดมันสงบมากๆอย่างถ้ารวมลงมไปบางทีเสียงนก็จ ะ, จะหายไปความรู้สึกของร่างกายนี้ก็จะหายไปหรือแต่ปิดอยู่ตามลำพังที่ทํานได้อกจากแต่ว่ารู้มีแต่ตัวร้อยู่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นนั้นหายไปร่าง ก, กายรู้เสียงจิตว่สุทธะหายไปหมดในขณะนั้นจะมีความรู้สึกมีความสึกมากมีความนิ่งมีความสบายเหมือนกับได้ ได้ได้หยุดพ้นจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆถ้าเราสามารถทําเป็นขั้นนั้นได้แล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความสงบนั้นเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกวไว้ว่าสุดท้ายในโลกนี้ที่จะประเสริฐที่จะเล่าเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มีมีความสุขนี้เท่านั้นที่ดีที่สุดที่เล่าที่สุด ที่มีคุณค่าที่สุเมื่อเราได้ทบทกล้สมแบบนี้แล้วเราก็จะเกิดความติดออกติดใจเกิดความพอใจที่จะสร้างความจบนี้ให้มีมากขึ้นขึ้นไปเพราะความจขที่เราได้ความที่เราได้จากการนั่งสมาธิมันจะเป็นเพียงชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะถอนลับมาเมื่อมันถอนออกมาจากความสงบนานาจิตก็จะกลับมาสู่ความต่อความว่บวาย ที่ที่เราเคยคบในขณะที่จิตนอนไม่สงกพอเราไปเห็นรูปไปไปเห็นสิ่งนั้นสิงนี้เราก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคิดมาตัวแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาถึงตอนนั้นแล้เราต้องเป็นขั้นของที่เรียกว่าการเจริญปัญญาที่จะต้องเข้ามาแท้เวลาเราเห็นรูปเราต้องใช้ใช้ธรรมะคือใช้ปัญญาคือใช้ใจรัก ที่เราเห็นนี่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปหลงไปยึดไปติดเป็นอนาาัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถ้าเรามีปัญญาคอยคอยประกบอยู่ตลอดเวลาจิตจะไม่จะไม่หลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราจะไม่จะคุดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุข ก, กัเรา ถ้าเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดเราจะได้ปล่อยวางได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นปัจจัยภายนอกไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่จะเป็นวัตถุท่าของต่างๆร่วงจกเป็นเพื่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหลับไปมีการพักผ้าอจากกันตลอดเวลาค น, คนที่ไม่มีปัญญาพอเวลาเห็นอะไรแนละ้เกิดความชอบขึ้นมะาก็จะเกิดความ ผุกมัดมีความยึดติดเวลาได้อยู่กับสิ่งที่ตาเองชอบก็มีความสุขแต่พอเวลาถึงเสีื่อสถึงนั้นไปก็มีความทุกข์มีความเสียเสีย อ, อกเสียใจเช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจเราจะยึดอีกด้านหนึ่งคือยึดแบบไม่อยากจะเจออยากจะให้สิ่งนั้นหายไปจากเราไป แต่เราอยู่ในโลกที่เราควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้ที่นี้เราเป็นอนาัตตามันไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาไปอยู่เป็นอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหนุการา์ในโลกนี้มันมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกันที่ทำให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรามีกลาวันเรามีกลางคืนมันมีฝนมีแดดมีลม สิ่งเ่านี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมหลังคับได้ก็คือใจของเราถ้าใจของเรามีปัญญารับเข้าใจว่าเราต้องยอมรับความจริงเช่นตอนนี้มันร้อนก็ยอมรับว่ามันร้อนเราอยากไปรังเกียจความร้อนอย่างก็สามารถอยู่ได้โดยไม่รู้สึกลำพังกับความร้อนนั้นแต่ถ้ามันร้อนแล้วเราไม่ชอบความร้อนเราอยากให้ หนีพ้นจากความร้อนเราก็จะอยุเยเยดเฉยๆเวลาเราก็ต้องหาวิธีหนีความร้อนเราอาจจะไปหาเครื่องปรับอาปปกาศมาปิดเนื้อไปอาบน้ำถ้าให้หนเย็นแต่ทําเท่าไหร่เนื้อมันก็กลับมาร้อนอยู่เดิมอาน้าเดี๋ยวเดียวมันก็ร้อนอีกใช้เครื่องปรับอากาศเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องปรับอากาศมันเสียเราก็ต้องไปหาเครื่องปรับอากาศใหม่มันก็วุ่นวายอยู่ไม่รู้จกักจบจุดสิ่แต่ถ้าเรานำแล้ว่าร้อนก็ร้อน ใจของเรารับได้ไหมดแหละถ้าเรายอมรับมันร้อนก็ร้อนไปถ้าเราพอที่จะแก้ไขได้เช่มมีอะไรเ ย, ย็นเงินมีผ้าเย็นเย็นมามาถืกบ้านมาทำไปแต่มันก็แก้ได้เป็นเช่อค้างเชื่อคางเชื่อทางใจไม่ได้ถ้าทางใจยอมรับได้แล้วมันจะร้อนเท่าไหร่ใจก็ไม่รู้สึกอะไรกับ ม, มันเกิดก็เช่นวันที่ก็เข้าไปนั่งสมาธิแทนหนีความร้อนด้วยการเข้านั่งสมาธิ เวลาจิตสงบแล้วมันก็จะได้รับนเรื่องของความนอนดังนั้นเรื่องสำคัญที่เราควรที่จะดูแลก็คือเรื่องของใจของเราพยายามทำใจของเราให้เป็นป ก, กติในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้ใจเรากก่นไปทางด้านความยืนดีหรือความยินรอนหรืออย่าไปยิ้ชอบหรืออย่าระชังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของมันเองนั้น ของที่เราชอบอีกคนเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ทาไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่เป็นของชนิดเดียวกันข้อพิเดชของเรานั่นเองด้วยความหนุนของเราเราเคยอาจจะมีความความความพอใจกับสิ่งนั้นเมือเราเห็นสิงนั้นเราก็ชอบอีกคนหนึ่งเขาเคอยมีความไม่พอใจกับสิ่งนั้นพอเขาเห็นเขาก็ไม่ชอบแต่สิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งเดียวกันใจของของเขาของเรานะั่น สามารถที่จะปรับให้เข้าสู่กคงการได้คือไม่ต้องไปชอบนั้นไม่ต้องไปชังเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองความเป็ที่ของใจที่แท้จริงก็คือถักแต่ว่ารู้ให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรู้รูปรู้เสียงรู้เกรู้ลดรู้ปวดสะพ้ะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นรู้เวลาที่เขาสัมผัสที่เขาปรากฏอยู่ก็รู้ว่าเขายังอยู่เวลาที่เขาดับไปก็รู้ว่าเขาดับไป ถ้าเราไม่มีอะไรกับเขาเวลาเขาปรากฏขึ้นมาเขาก็ไม่สร้างความมำคันใจให้กับเราเวลาเขาจากเราไปเขาก็ไม่สร้างความมำคันใจให้กับเราแต่ถ้าเรามีอะไรกับเขาเช่นถ้าเราไม่ชอบเขาเวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็จะมำพันใจแต่ถ้าเราชอบเขาและเวลาเขาหายไปจากไปเราก็จะเสียใจงั้นปัญหาคือความ ความรคาญใจความเสียใจนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏมาสัมผัสกับใจเราเท่านั้นเองนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาทำความเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เจอเรื่องธรรมด า, าปวสกะพาะการลุกเก่งจแล้วปวโกระภพาะที่เราสัมผัสมันจะต้องมีทั้งสองส่วนคือส่วนที่ให้ความรึกกับเราและส่วนที่ให้ความรึกกับเรา แต่มันจะสุก ข, ขนาดไหนหรือจะพึ่ขนาดไหนก็ตามใจของเรานี้สามารถรับไม่ได้เนี่แล้วใจของเราจะไม่มีความไม่มีปัญหาถ้าตาใจใดใจของเราไม่ไปหลงยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นหรู้นะก็ปล่อยปล่อยไปตามความเป็นจริงรู้ว่าสิ่งนี้ดีก็รู้ว่าดีก็ไม่ต้องไปยินดีรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็มไม่ต้องไปเกลียดไปทำก็รู้ว่ามันไม่ดีแค่นั้นเองแล้ว หรือว่าเวลาเขาอยู่เราไปควบคุมบังคับไปไล่เขาไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปเมื่อถึงเวลาเขาไปแล้วก็รู้ว่าเราอยากให้กลับมาไม่ได้เหมือนกันรู้ตามความเป็นจริงเป็นคนคนที่เรารักเขาตายไปแล้วจะทำยังไงเขาก็ไม่กลับมาอยู่เลยจะให้กลับมาเหมือนตอนก่อนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นย่ำเป็มเตามไม่ได้ถ้าใจเราเปลี่ยนใจรับรู้และยอมรับตามความจริงก็จะไม่มีความทุกข์ ใจของเราโดยธรรมชาติมันมีควา ม, มอย่างนต้อนฟังอยู่ในใจมันชอบมันชอบเลือกชอบเลือกสิ่ น, นี้ชอบสิ่ น, นี้ไม่ชอบสิ่ง น, นั้นอยากจะได้สิ่ น, นี้ไม่อยากได้สิ่ง น, นั้น <c oughs> เราจึงต้องมาแก้แก้ทุกความอยากนี้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้เราได้สมใจมากน้อยเท่าไหร่มาได้ความสุขเราได้ไม่นานสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป สิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ความเดืร้อนทั้งหลายที่มันปกฏกับตัวเรามันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดทั้งวันมันก็ต้องหนีไปเพราใจเรามีความอดทนอดกลั้นสามารถทําให้มันนิ่งเฉยได้แล้วไม่ว่าความเดืร้านทั้งหลายจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไรมันก็ไม่สามารถทําให้ใจของเรามีความไหวหวั่นไหวได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถมอบให้กับตัวเราได้ เราสามารถปฏิบัติทําให้ใจของเรามีความเข้มแข็งมีความหยาดแน่นเหมือนกับก้อนหินได้เพื่อการภาวนาด้วยการเจริญสมาธิและปัญญาถ้าเรามีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาแล้วจิตของเราจะเป็นเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเรียนลมพายุมาขนาดไหนก็ตามมันจะไม่สามารถพัดให้ใจของเราพัดให้ก้อนหนินก้อนั้นขยับขึ้เรื่อ ย, ยได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ใจของเร า, ะาจะเป็นเห่างนั้นตุ้ยนุ่นตุ้นยน่นในเวลามีลมเบาๆมามาพัดเบาๆท่านะมันก็ปุวยมันก็ปินไปตามลมนะคนที่ไม่มีทอนาคือไม่ไม่มีสมาธิไน ม, มีปัญญาจะเป็นคนที่ข่อนข้า ง, างเป็นคนที่อ่อนไหว ง, ง่ายเป็นคนที่มีอารมณ์ง่ายมีอารมณ์เสียง่ายอะไรแม้สัมผัสมีกระทบหน่อยก็ไม่พอใจแล้ะก็ลำพังใจละ นี่คือปัญหาของพวกเรานี่คืองานที่พวกเราจะต้องมาทําก็คือแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการบาเพ็ญภาวนาการภาวนาจะเข้าขั้นภาวนาได้ก็ต้องอาศัยการบำเพินฌานและศีด้วยเพราะการภาวนานี่ยถ้าเกิดเคียบก็เป็นเหมือนกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นมือเรียนศึกษานักเรียนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยดนั้นต้องผ่านขั้นอ น, นุบาลขั้นต้นถขั้นมัธยมก่อน เ้าถึงจะเข้าขั้นมาหาวิทยาลัยดัง น, นั้นการทําบุญทําทานเป็นสิ่งที่จําเป็นคืออย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงทรัพย์สินสมบัติเงินทองอย่าไปอยากอย่าไปสะสมเงินทองมากจนเกินจำความจำเป็นแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนทู้อื่นเพราะว่าถ้าเราไปเบียดเบียนทู้่แล้วก็จะมีปัญหาตา่างๆในเรื่องราวเรื่องราวต่างๆตามมา ถ้าเราทำมือตา่างๆรจักสิ่งนี้เวลาจะาาจภาวนาเนียนง่ายจิตใจเข้าสูงความสงบง่ายแล้วสิ่งที่จะเอือ้ออำนวยเก่ยกัารภาวนาท่านก็ะะแสดงไว้มีอยู่หลายอย่างด้วยการเช่นหนึ่ง ม, มีสติคือเราต้องฝึกตั้งสติอยู่เสมอให้มีสติอยู่กักบการเคลื่อนไหวของก า, อายวาจาใจเวลาเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรต้องรู้อยู่ทุกขณะนี่นนว่าสติ ยองต้องมีที่สงบขนาดนีด้เว้ถ้าเราไปอยู่คนเดียวได้ตามตามป่าตามเขาหรือตามวัดต่าวัดเขาที่เรามีเวลาที่จะได้อยู่ตามลาพังมันก็จะไม่มีอะไรมาคอยเดืองสติของเราให้เผลอไปถ้าเราอยู่กับคนไม่เยอะกับที่มีเสียงมีกลิ่นมีมลมในอะไรต่ า, างๆสติของเรามันจะผ่านายก็จะถึเกเรื่องราวต่างๆถึกยากต่ งั้นถ้าอยากจะบเพ็การภาวนาให้ได้ผลก็ต้องหาที่ดีไว้แล้วก็ต้องสังนวยอินทียคือกังนวตาหุจมูกนิ้งตาอย่าไปอย่าไปสัมผัสกับลูกเสงอหรืว่ากตทุกโดยไม่เป็นเช่นไปดูหนังดูละครอ่านหนัสือเรื่องราวที่เป็นนิยายอะไรเหล่านี้หนัสือแฟชั่นหนัสือเกี่ยวเรื่องราวต่างๆอยากไดู ถ้าจะอา่านหนัสือว่ารหนังสธรรมะทางเทศธรรมะนี่เรีว่าเป็นการคำียนอินทรีย์คำนวณตามงเหตุผลด้วยการแล้วก็ต้องมีมเรียกว่ารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารหรือไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินเกินไปรับรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็อพออย่าไปรับประทานตามใจอยากถ้ารับประทานไป บาอย่างแล้วมันจะรับประทานมากจนเกินไปแล้วจะรู้สึกเวลาจะมานั่งสมาธิมันจะง่วงหลังเขางอนขี้เกียจอยากจะหาหมอน <c oughs> มากกว่าถ้าเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วถ้าต้องภารนาก็อย่าไปนั่งคนใหญท่านจะให้เดิมอย่างพระท่านตอนเช้าหลังจากที่ท่านเสร็จจิตอยากทำสายยาวกลับกุฏิท่านจะไม่นั่งสมาธิทำ เดนจะก้าวทางตรงกลมก่อนเดินให้มันหายวงเมื่อหายว่องแล้วก็ทำเอันั่งสมาธิต่อถ้าจาเป็นก็อาจจะพักส่วนส่วนมาท่านจะพักกลวันก็ประมาณร่งลงทีนงกมเลมานั่งสมาธิแล้วก็อยากจะลองพักก็พักแคชั่วโมงอพอเป็นทีมาพักก็ืยกเดินตรงกมต่อ้นั่งสมาธิต่อ หรือถมีจิที่ต้องทำให้ปัดกวาดปัดกวาดก็ปัดกวาดด้วยการมีสติการปัดกวาดของภาพนี้ก็มีอาการภาวนาเพราะว่าจิตของท่านไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นจิตจะอยู่กับไม่กวาด่นะกวาดซ้ายกวาดขวาก็จ็บอยู่กับการสัมผัสทําไว้กวาดนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนู้นคิดถึงเรื่องนี้การภาวนาีต้องให้จิตอยู่ในปัจจุบันอีูเสมอให้อยู่ที่นี่อย่างนี้อย่าส่งจิตไปไหนอย่าส่งไปใหนนาคุ จิตจะนิ่งได้เพราะต่างมันอยู่ในปัจจุบันถ้ามันไปอดีตมันก็ฝั่นนะครเหมือนกัรลุกตุ้งเมริกาถ้าอยากได้ลุกตุ้งเงื่นการอยู่อยู่ตรงกลางก็ต้องไม่ให้มนขยับไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาสำนักจิตก็เหมือนกันถ้าไปอดีตก็เหมือนลุกตุ้งจิตไม้ก่อนไปทางซ้ายเพราะไปอนาคตเหมือนก็การก่อนไปทางขวามันก็จะไม่อยู่ตรงกลางมันก็จะไม่นิ แต่ถ้าไม่อยู่ในปัจจุบันมันก็จะอยู่ต่างต่างมันก็จ <karma> ะ <cái> cool ไม่มันก็จะไม่ต้องคิดอะไรเพราะขณะอยู่ในปัจจุบันมันเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรับรู้รูปเป็นเปลียนแล้วกวดตพาะขึ้นมาสัมผัสกับตาหรือนิทมึนกายรับรู้แล้วว่ามันก็ผ่านไปเจ็เราเดินตัดกวาดไปแล้วก็สัมผัสรับรู้กับเสียงที่ตัดกวาดไปเสียงปากกดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเสียงใหม่แก็ปรากกดขึ้นมารูปมาปรากฏเปลี่ยนไปเรื่อยๆขณะที่เราเทีตัดกวาดไป แต่เราแต่เราจะไม่ไปคิดเรื่องอจิดมันก็จะนื่งแม้จะเดินจะทําอะไรมันก็ยังนื่งได้เนี่ยก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งต่อการวิสนาที่ก็หมายความว่าให้จิตไม่ไม่กวี่นั่นเองให้จิตมันเนื่องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับที่จะคิดอะไรก็คิดได้แต่คิดก็คิดคิดได้สองทางถ้าคิดด้วยถ้าถ้าคิดไปในทางธรรมะมันก็จะไม่มีอารมณ์มันก็จะไม่ทุกข์มันก็ไม่ยุ่งวุ่น แต่ถ้าคิดไปในทางเกลยดคิดไปเรื่องยึดติดเรื่องห่วงเรื่องกังวนเิ่งนั้นเสิ่งนี้มันก็จะทําให้เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าคิดก็ต้องมีปัญญาเข้ามาประกบเช่นถ้าจะไปกังวนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ใจรักเข้ามาว่าไปการเงินทำไมเรื่องอะไรทั้งสิ้นอะไรมีนจะเกิดมันก็เกิดเราอยู่ที่นี่เรื่องนี้ตรงนู้นเราก็ไปทํางานนั้นเราได้ดี แค่ที่นี้เราก็ตรงแล้วก็กลได้แล้วก็กลับมาอยู่กับจิตวิเวลาที่ว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็น ท, ที่เราจะต้องไปดูแลแล้วก็ไปเสียอย่าอย่ามานั่งกังวลแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร้าจําเป็นจะต้องไปแก้ไขไปทำอะไรก็รีบไปทำเสรีให้มันสบไสทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ก็ตรงเสียสัดไปแล้วแม้งมันเานากิดอะไรจะเกิดก็เกิดเว่าะของต่างๆในเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันถ้าวอน ชีวิตของเราก็ยังไม่ถานวณเลยเรามาคำนวณกังเรื่องรางต่างๆทำไมพอเราตายไปเรื่องราวต่างๆมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมฉะนโลกนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามาสนใจมาห่วงมาคังวณกับเรื่องราวต่างๆโลกนี้มีไว้เพื่อให้เราได้มาบาเพ็ญกิจที่จาเป็นที่จะต้องบําเพ็ญก็คือการทําระกิตใจของเราภาเองมีชำระความโลภความโกรความหลงความอยากตชางๆให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิกใจ เพราะเมืม้มีสิ่งเหล่า น, นี้อยู่ในจิตในใจแล้วปัญหาต่างๆหลายก็จะหมดไปเราจะเห็นโกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติปัญหาต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันมเป็นเรื่องปกติที่มันจะมัเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต้องเกิดเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้เมื่อมีพระพุทธเจ้าแมา้แต่ตัวองค์เดียว ม, มาตัดสินี้แล้วจะมาแก้ไขปัญหาของทางโลก มาเกิดมาห้ามไม่ให้ผลุกเกิดมาเกิดมาห้ามไม่ให้มีสงครามถ้าไม่เดิมาแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาที่เราแก้ที่แท้จริงคือปัญหาของจังของคนเราไม่ถ้าคนเราจะควแก้ปัญหาของเราได้แล้วรับรองได้ว่าปัญหาของคนจะไม่มีคนเราจะไม่ทะเลาะบอกแว้งจะไม่มีสงครามจะไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดจากคนที่มันมีปัญหาวุ่นมาเพราเราไม่มักเราไม่มาแก้ปัญหาในใจของเรา ปัญหาในครอบครัวมันไม่น่าจะเกิดมันยัเกิดขึ้นได้เลยทั้งที่ทุกคนนอยู่ในครอบครัวก็รักกันจะตายอยูแต่ก็ยังเกิดขึ้นนเพราะพวกกิเลสความอยากของแต่ละความนู้นเหมือนกันคนหนึงอยากจะทําอย่างนี้คนนี้อยากจะทําอยา่งยงอยางนั้นทําไปแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนนั้นคนนี้เท่าเนาะมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นย่งนั้นถ้าเรามีธรรมะนะมื่อเาเข้ามาแก้ไขในใจขนะองเราแล้วรัเราได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกนะับใครเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครสักที ว่าปัญหาที่ท้จริงมันอยู่ที่ตัวเราเป็นแบบเราไม่มีปัญหาแล้วใครจะมีปัญหาถ้าเราเราก็ไม่มีปัญหาครับตบมือข้างเดียวไม่ได้ถ้าเราทําตัวเป็นเหมือนกับเสาไทยเขจะมาดา่าเรามันก็เหมือนกับด่าเสาเราไปนั่งด่าเสาอยู่ข้างเดี๋ยวมันก็มื่วเองน <c oughs> ะเรามันพอก็ด่าเรากลับมาแล้วก็แสดกงการไม่พอใจดา่ากับเท่าไปมันก็เลยการจะเลี่ยงจะอยักขึ้นม พป็พยานขอให้เราใช้เวลาของของชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการชำระกายวาจาจาองเราเวารักษาใจขนาดให้ให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับารของพระเจ้าแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์เรื่อมาเจอท้างวิญญาณรจะได้เป็นจะได้คุณค่าวันการเม่พียชาเกิดเพียชาขอวิจการแสดงนะ เมื <reproduce. S 1> ่อ <molecules> ว <laughs> ันก <th> ่อนมีชาวยุโรปมา60คนมาฟังธรรมะเขามาเรียนธรรมะที่เอเชียเหนือตะวัทางอาิีพการดีเขมกระจายมนาเขาเลยขอสอพาเด็มามาฟังเขาเรียนปีสามปีสี่นะครับ พอมันเรียน Business, Culture, เอเชียนบิสเนสก็ไเอเชียนคัลเจอร์ขามาดีวัดมาก ร, รมมาุณาอธิบายก็้าฟังว่าเนี่ยที่มาบนเนี่ยนี่คือเหมือนกับย้อนยุค ก, กับไปเม2500ปื่อสองพั้าร้อยกับเปนสมัยรัชกระเจา้าสม่ยรกัากาสนาทีเป็นอย่างเนี้ยมันมีวัดม น, นมีเจดีย์มันไม่มีพระพุทธรูป รพระพุทธลูกตัวนี่เกิดหลังจากพระพุทธเจ้ามิพาน้วลหลายร้อยปีด้วยกันสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นท่านไม่ทรงอยากให้ให้ให้มี ร, รุทธลูกเพาะพทธลูนี้ไม่เชตัวพระพุเจ้าพราะตัวพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ทาสอนสอนอะไรอในที่ท่านตรัสไว้ว่ า, วาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถึงเราแต่ทาค ธรรมะคือตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธลูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวคนธรรมดาเห็นแต่ว่าเราเรามีไว้เพื่อเราเลถึงถึงธรรมะ่านั้นเองเวลาเร า, ากลับพระพุทธรูบเราควรจะเลื่อถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำน ม, ม, ามาปฏิบัติเวาปฏิบัติจะปรากฏมีธรรมขึ้นมาในาจมีดวงใจมีธรรมขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร คือใจที่บริสะคือใจของพวกพระเจ้าใจของพวกเราทั้งวันหนึ่งก็จะเป็นใจอย่างนกันเหมือนกันวันนั้นเหรอก็พวกเก็คุณรู้ไหมวันนี้คุณมาทำไมวันนี้คุณมามาให้เราปลูกฝังมาเล็ดเลือดแห่งการปฏิบัติพัลวูไว้ในใจของพวกคุณ <laughs> <laughs> อยู่ที่ตัวพุณว่าจะเอาไปเจริญมันหรือไม่เท่นั้นเองถ้าเอาไป มนนันเอาไปลดน้ำต้นลดน้ำคอยดูแลใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าท่านชาตนามชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปคิดจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารอย่างแน่นอนเพราะนี่มันเป็นหลักความจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทเจ้ามาก่อนใช่ไหมท่านก็เป็นกุฎิชนเหมือนเราเมื่อท่านได้ยินได้ฟัง ธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมามันก็ปลูกฝังอยู่ในจิตของท่านจะทาให้ท่านบำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆเป็นความเป็นทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี้เราเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่พวกเราถืถถอถว่าจะเป็นโทที่จับได้พระพวกเราทุกอ น, นก็เช้าก็เแลยก็ออกไปทางนั้นแต่ที่เดียวตอนนั้นเอง พราไม่มีที่อื่นที่จะไปทางออกจากความทุกข์มังก็คือทางนี้ทางแห่งทางมัตตปาทางแห่งสิ่สมาธิปัญญาเมื่อเราตได้เราทำบุญทำท า, านเรารักษาจิงเราปฏิบัติธรรมก็แสดงว่าเราได้หลงทางแต่ถ้าเราเริ่มไปสวงหาราดยศอำนาจสนจุดก็แสดงว่าเราเหลงทาง อยากจะจะเป็นสอวสาวอาาอยากจะเป็นเจ้าชีอยากจะได้เที่ยวรอบโล <c oughs> กเราหลงทางแล้วนะไปกวาดทางนะทางเวลาต้องเข้าวัดป่าวัดเขา <S <S ที่นเที่ยวบนนี้เหรอครับจะได้ไปถ่องชุดก็ หกสิบคนมันไม่พอหน้าเนั่งกันไม่เมื่อยแย่ SW yeah. แล้วนกี่าน่เีสงบนใจฟังเงียบยังไม่ได้ถพูดกลาคงไม่ใช่รเขาก็แก็มีคถามามลพอพอปดกา้าถามเายมือกันเต็มเลยไม่คิดอยู่พลคามถามได้ทุกคนที่สามด้ทีารถไคามถามทน่สามารากคนที่รถถกคนสามรมนทีาถามคสมกคนที่ถมได้นสีค Um, I think I understood a lot of what you said before, but um, I had a similar question that you mentioned at the start. You know, we shouldn't expect much from the future in terms of this. We should expect suffering in this life, including in the future. As long as we're a human being, we have to have it yes. because it's a condition. Uh -huh. It's part of the path of life. Mm. That suffering is in inherent in everything that we we own. Mm. Whatever we own, because due to its uh, temporary nature, when mm -hmm. it c e a s e to exist, it will cost us d a r a n e s Or even when we have it, we are always constantly a f f e c t e d by worry. Mm -hmm. Inside, we w r e not sure when it's going to leave us. Mm -hmm. So it's better not to have anything at all, mm -hmm. because everything g a t to be. That give us happiness actually also give us the same amount of unhappiness, mm -hmm. corresponding unhappiness. Mm -hmm. So it's better to s e e the, the true kind of happiness, which is inside, mm -hmm. inside the mind. That is the peaceful mind. That's what we should have. Because once we have this peaceful mind, we, we won't be, we won't hunt, we won't, we won't need anything else to make us happy. b e h a s e nothing. Is, Can be can be happier than the, than a peace of your mind. <laughs> <laughs> <laughs> that's why that's why for me I can deal w i t everything because I know whatever I have, I know I I was not always happy with it. Like, there is responsibility when you o when you own something you have to take care of it, mm. and when you lose it, you, you feel bad. So it s better not to have it at all. Mm -hmm. <laughs> <laughs> And besides, there are better kinds of happiness inside of that. This thing is like a once you have it, it's always with you. Mm. You can always call it. You can always make it happen. Or actually, if you a if you can, you, if you can can maintain it, it will always be there with you all the time. Mm. It's kind of happiness. And no one can take it away from you. It's beyond the nature. It's beyond the the w lakna, the the what, what you call the three characteristics of existence. The u n t e r m i n e n l e n t e r m i n a b l e k a and anatta. Yeah. It's always there with you inside you. That's w h t h a t h the u d h a s a i nibbana f a l a h a m o n k is h nibbana is the supreme happiness. <coughs> No, it, it, it never d i s a p p e a r It's forever. But mm -hmm. can you explain one thing? The c o l e s t o f boredom in the mind. What? Are you able to explain what that is? That's d u k t h a That's an awful suffering. Mm -hmm. it, it results from the fact that you could not do what you wanted to do. Mm -hmm. So boredom is the is the consequence of that. Mm -hmm. If you could do things that you wanted to do. You never get bored, right? <laughs> <laughs> That's why people keep doing things all the time. Yeah. If they don't, they, if they get bored with this thing, they look for something else. They do something else. They keep changing. They keep changing all the time. b Everything c in this world always gets you bored after a while. Yeah. Even the people you love, you want to marry. Once you marry her, after while you get bored. with just <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> now people have commit t e d adultery yeah. because nothing is truly satisfactory in this in this world. It can give you a temporary satisfaction, but after that it w i l l b e c o m e Become something s that you dislike after a while. Because the death and injury creates the familiarity breeds contempt. You mm -hmm. see? If you have something with you all the time, you get sick of it. Mm -hmm. <laughs> <laughs> But if you haven't got it, you want it to happen. Mm -hmm. That's why you keep looking for new things all the time. You keep. Making new products out all the time, newer version of things all the time. <laughs> <laughs> <laughs> But it's the same thing. Yes. After a while, you get you get sick of it again. But there's one thing that y o u n e v e r gets i c k of is, is the peacefulness, the peace that you find inside your mind. This is always fulfilling, always, always makes you content. So it's. it's It's something that is not very far from yourself. Seeing yourself it b e n g s to you, but you just don't give it the chance to l o appear because your your delusion keeps telling you to go seek other things all the time rather than seek the t r u e happiness inside yourself. But in order to get this kind of happiness, you have to give up everything else. You cannot have them both. You, you cannot ha have t u e cake and mm -hmm. eat it too. <laughs> <laughs> so you have to, you have to expect some, some pain in doing that at the start. Sure, but it's like typical h a b i t mm -hmm. like giving up cigarette, s uh, alcohol. Mm -hmm. so when you, when you addicted to smoke, uh, alcohol, you're you're a slave. You, know, you, you have to constantly have this thing to make you happy. Mm. Uh, when, when when you don't have it, you know how painful it is. Mm -hmm. So it's better to, to keep the habit. When you have to do that, you have to go through a, a withdrawal period, mm -hmm. which is quite painful. But after maybe uh, a few weeks, then this feeling will disappear, mm -hmm. and then there won't be any more of this problem. Mm -hmm. So it's worth it, you know, to to practice meditation. But at the same time, you would have to give up. Going out to you know going to a movie going to places and staying in a, in a temple in a monastery if you can persevere if you can have the the the mental strength to resist all this uh, desire to go out then eventually you you will you will become the v i c t i m you will win once you you, you become the v i c t i m t h e There won't be anything to bother you anymore. There won't be any pressure to to push you to go suit for this thing or that thing, to be with that person or this person, because you will never feel lonely. Loneliness is the product of your f e e l u s i o Because you want to see somebody, you want to be close to someone. When you're not, then you become lonely. Because you r m i n d keep s c h u r n i n g out this feeling of loneliness, but when you r m i n d become s At t h peaceful, it will not have the ability to turn out this feeling of loneliness. Mm -hmm. You're not feeling. Uh, You're not feeling. You want to be closer anybody. In fact, you don't want to, because when you do, you get you get bothered by other people, what they say, what they do. They disturb your peacefulness. Mm -hmm. If you uh, if you could ever find this peace inside yourself, you you would love to be alone more than be with anybody. Else. If you do, you, you only do a l f I do. I like c o m in and teach people, give a give a lecture. But once you finish, y o u r y o u r you want to go back and be a l o t h e r one. So that's the best the best kind of happiness that you can give yourself. Because you you don't have to have money to buy this kind of happiness. You don't have to depend on other people to give you the happiness. This kind of happiness is always in here. What you have to do is you have to k e e e up everything. n k y o a teacher. I heard you've been uh, you've been o a i e before. h samanera. Samanera, teacher. y e a t a h e r a um. About three months. Three months. Mm. Just, a, just as an experiment. Yeah, it, uh, it's it's good because you see what um, the reality of things are. Because like. mm -hmm. there's nothing to distract you. Mm -hmm. But you just don't feel you have the, the the strength to to carry on. <laughs> like, climbing on like climbing Mount Everest. It's like t i m e i n Mount Everest, and you. At the very Let, bottom. o u <laughs> <here. laughs> look up and think, oh, mm -hmm. it's a r o n g way. <laughs> don't d o look at the top. See. Always look at just just where you are and just take it one step at a time. Mm -hmm. Because if you think how h i g h it is, then you will become discouraged. Mm -hmm. If you just do what you can, do, step by step, then it will not be so h i g h Just use. เพิ่งอัดวันสักครั้งต้องก่อตั้ง day to d a เพราะฉะนั้นเขาเป็นศสนาเก็ยังสนใจศาสนาก็จริงาศาสนาชุดนี้มันไม่ได้เป็นศาสนาของชาติดชาน่มันเป็นมันเป็นของที่มันเกิดมาจากจิการของแต่ละคน ถ้าเราเคยมีศาสตร์ของเราเข้นองแล้วมันก็จะติ่ในองาอมาตอนที่เป็นเด็กเรียนนักเก็อปาปีด้วยกัน I went to a s e v e n y e a v e n t a g e school for eight years in Bangkok uh huh. International School <Yeah. S 1> but I was never convinced by the teaching of r <Please. S 1> i s t i a n i t y but I do see the the, the benefit and the p r c a u t i o n that was taught by like the the Being, being uh, kind and being righteous, you know, helping other people, not h u r t i n g other people. But there are something that always uh, does not convince me. Of, you know, like the creations there and so on. Because I I just I don't know. For me, it just it, it doesn't seem to be. Mm. Possible. Yeah. <laughs> o oh, r the fact that Christ died for our sins. How could someone die for your sin? Mm. It's not that easy. So, I t means that you can commit all the t h i n g s you want, and then just accept Christ as your savior, then all your sin will be abolished. Mm. Yeah. <laughs> so this, this a i n d thing that I, I find, I could not, I could not, it couldn't convince me. Mm. But then I wasn't religious. I didn't know anything about Buddhism either. I have some some s o knowledge of Buddhism about know, the life of the Buddha and the basic teaching, just, um, the giving and, and morality. But I wasn't practicing it. I, I didn't have a chance to go to the temple. Mm. So, but after my graduation from college, and I had a chance to read about Buddhism. To really read about the t e a c h i n g it it, it struck me as something very very profound, and very helpful, because I was looking for something for something to ease my, my anxiety, and my worry, and I found the teaching of the Buddha helped me very much, especially in doing doing meditation. And I sit down, p r a c t i s meditation. I can relieve a lot of uh, anxiety and, and worry, find some peace of mind. Before I, I used to f e e l peace of mind by going out to to restaurants, to movies, <laughs> <laughs> to a party, you know, but it only relieved it temporarily. After you come back into the house, you feel the same again. So when I started in meditation, I realized that I didn't have to go out anymore, and I could I could take care of my mental problems. And the more I do it, the more I find the more peace and happiness I, I get. To the point where I find that there's another no way for me now, but just to develop more and more in meditation. So I w a s look to just obey and a day a a n d b e come a r o n d Because I already had uh, an objective, something to look forward to. When I was in, what I was looking for was just a place where I can meditate, a place where I don't have to worry about making a living, you know, a place where I can have a place to stay, food to eat, and the time to do all my meditation. That's all I wanted. Mm -hmm. Even before then, I didn't. I was also looking for a teacher because I already had a teacher in the Buddha. In h i n h i kit in in the writing in the b o o k that that I read was enough for me to to be my teacher. But I was fortunate to find living teachers because that was a lot more helpful. Because reading you can misinterpret some of the reading, but when you with t h a living teacher he can always remind you when you are not doing going the right in, in the right direction. Yeah. But but before that, I, I didn't know that there were l i v f e n t teachers who could could really teach the teaching of the Buddha. So I depended on the on the s c r i p t u But after I I, I went and met and met Maha t i m e t i n t h a n m t o e r the and also with the other m o n s who who practiced very hard. It, it, it h e l p s in the practice, in my practice. Mm. This, is, this, is, this is part of the story. Don't talk to me. He's still on the phone. ใจก็เพ mm. ื bana, mm. mm. well, topic, right? ่อนกบอกเขาว่าโอ้โหเฮีย like, ่างดีแค่ใจมากไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวอะอยนเงี้ยคิดนะคมาตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาก็ไปเยี่ยมคุณแม่ของเพื่อนคนหนึงซึ่งเพื่อนเสียแล้วนะคุณแม่ก็อยู่แบบแกลวเพื่อนตวเอเขาริ่มติดตัวเองว่าเอะถ้าเขาไม่มีครอบครัวแล้วเปิดเขาแก่ไปองช่วยตัวเองาครจะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มคิดเริ่มคิดจะถามดังใจว่าจะทำยังไงอย่างเี้ ให้ให้ให้ชาหลักธรรมที่พระเจ้าสอนว่าอัตาอตาเหี้ต้องเลเรึพราะพิ่งคนอื่นไม่ได้ไไดหรอกเพิ่งหวังหวัเพิ่งลูกต่ลูกก็เป็นลูกอกตตันยังจะทำยังไงเหนใจกันเนี่ยเป็นลูกที่ตายไปก่อนเราเ็จะทำยังไงใช่ไหแต่ถ้าเราเพึ่งเราได้ไม่ต้องกลัวแล้จะจะมีคนมาคอยดูแลเราตลอดเวลานะ อย่างหลวงตาเนี่น <Guardian. S 2> ยยั ง, zone, ยยงคนอยากจะดูรลหลวงตาตลอดเพราะทัานที่เพราะท่านเพิ่งท่านเพิ่งตรวจสอบ่านเองได้เมื่อท่านตรวงสองท่านเองได้ท่านท่านจะสามารถทําความดีได้ตลอดเมื่อทําความดีได้ตลอดแล้วก็จะมีคนไม่ต้องห่วงมีคนต้องห่วงาหมายคนคมันมากเกินไปคนยังมาช่วยมันมากส่วนไปมากกว่าต้องหนีคนมากกว่า เห็นสูงคุณยังความดีตู้มากก็อาจารย์เห็นอาจารย์อนาถามว่านี่คือการสร้างความดีขอให้เราทำความดีไว้ก็เช่นการภาวนาส่คนหนึ่งเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองอย่าไปวังให้คนเื่นเขาเลี้ยงเราพเรา่นสามารถจะดูแลตัวเองได้เลยนะท่างวันตายไม่ต้องตรวจ พอถึง เ, เวลาถ้าช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็จับเราส่งเข้าโรงพยาบาลเลยก็ <c oughs> ต้องมีพยาบาลคอยดูแลนี้มีทักงสี่ทุกคนเลยครับาโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวล่ะ <c oughs> แต่ที่ต้องพึ่งที่เราพึ่งตัวเองจําเป็นต้องพึ่งตัวเองเพราะทางด้ดานจิตใจมากกว่า <c oughs> ถึงแม้คนอื่นจะช่วยเราทํางด้านร่างกายได้ดูแลเราได้ให้หาหาเราให้ยาเราได้แต่ใจเราเหงาเลยทํา เราไม่มีธรรมะเราไม่เราไม่รู้จักภาวนาการภาวนาเนี่ยเป็นการช่วยช่วยตัวเราเองทางด้านจิตใจถ้าเราภาวนาเสร็จแล้วเราจะไม่เหงาจะไม่รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับใครไม่หวังจะพึ่งใครไม่ต้องการให้ใครมาให้กำลังจิตกำลังใจอะไรเราเรานี่เราให้กำลังใจของเราเองด้านส่วนตัวแล้วเรายากจะให้กำลังใจเสนอืได้ด้วยฉันบอกเขาว่าให้พยาน ให้พยายามขึ้นตัวเองด้วยการปฏิบัติตามที่พระพเจ้าทรงตสสอนและองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้าเพิ่งคนอื่นมันเดี๋ยวเกิดคนที่เราเพิ่มเขาตายไปแล้วทาไงแล้วก็ไม่ให้เราพิ่าเราจะทำยังไงอะราฮ่าน่้ฮ่า่มที่คาดหลังแล้วถึงเีลาจริงๆก็อาจจะไม่ช่วยเราก็ได้นนะ อาจจะไปก่อนเราหรือยังไงก็ได้แล้วถ <distort eso. S 1> um like, really? ้าเผื่เาคาดหวังว่าจะช่วยเราเราไม่ช่วยเรายิ่งเสียใจอย่ช่วย้เถืก็ช่วยได้ชถ่หมอจะเปลี่ยนขนดไหนในที่เถื่อช่วยไ่แต่ท่านมีธรรมะที่ช่วยได้ตลอดทั้งลมหายใจสุดท้ายเลยแล้วไม่มีความทุกข์เลยแต่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วต่อให้มีหมอที่เก่ขนาดไหนใจก็ยังทุกข์อย่าตลอดเวลา ก็กลับมาที่เท่ น, นะที่นี้ว่าต้องมาทำละการของเราต้องสร้างการของเราให้เป็นที่พึ่งของตัวเองนะให้นใจของเรามีธรรมะมีมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวเรื่องเรความทุกข์ได้เลยร่างกายนี่มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นใจตามตามสภาพของเรา แต่การเป็นของร่างกายมันจะไม่แล้วก็เท่ากับอจารถ้าอาจารมีปรรัญญามีสมาธิไว้คอยคอยแยกคอ ย, ยถ้าไม่ยืแล้วความหลงมันจะเอามาพันกันเอามาพันในร่างกายกับนะไนมันจะบอกว่าใจเป็นใจกับมันว่ามันเพราะใจจะหลงว่าร่างกายเป็นเป็นกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็จะวุ่นวายกันหมดเลยถ้ามีสมาธิมีปรรัญญามันจะแยกออกจากกาันาจ ก, ากา็เป็นกายเหมือนกับคนขับรถรกรับรถยนต์คนเราเสื่อมกัน รถยนต์นเสียก็ไปซ่อมเป็นยางแต่ก็ปะมันเสื่อมันทำมันใช้เวลาจะเที่มันไปคนขับก็เดินลงไปหารถใหม่ต่อไปหรือถ้าไม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้รถต่อไปก็ไม่จําเป็นซื้อรถใหมยอยู่กับบ้านไม่ไปไหนแล้วก็ไม่จำเป็นซื้ออะไรไม่ต้องมีรถก็ได้าการรองคนที่อื่นแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยร่างกายที่เราที่เราต้องมาเกิดมาเอาร่างกายกระจายเรายังถืทางกาย ม, มาลดอีก อย่างอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอื่นก็ต้องมีร่างกายคือต้องมีตามีหูมีจมูกมีจมูกมีการไว้เป็นเครื่องมืออัน้นองเพืก็จะได้เห็นรูปขณะเหนเ็นรูปแล้วใจก็มีใจมีความสนีน้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าเห็นรูปที่ไม่ชอบเข้าก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้ น, นเรื่องท้งเรื่องมันอยู่ที่ใจของคราถ้าเราทําใจของเราให้พอ ด้วยการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วก็ก็จะไม่มีปัญหาอะไ ร, ะรอะไรจะเกิดกับอะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะใจเราไม่ะเป็นอยากทําอะไรไม่ได้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามความจื่นเต้นรับความจื่นได้ทุกสภาพแต่ถ้ามีความอยากแล้วมันวุ่นวายกันหมด เวลาร้อนก็อยากจะให้มันเย็นเวลามันหนาวก็อยากจะให้มันร้อนขึ้นมาเวลาน้ำฝนตกก็อยากจะให้มันหยุดมันไม่รู้จักจบคือมันไม่เคยพอใจกับสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่กระท่งมันไม่มีความอยากแล้วกระทั่ดีฝนตกก็ดีร้อนก็ดีหนาวก็ดีดีไปหมดเจ็บค้าได้ป่วยก็ดีไม่ต้องทํำลายสบายมีคนคอย ป้อาเนี่ะถ้ามองนิดมองโลกในแง่ดีมันมีทั้งสองแง่เนี่ยทุกอย่างในเรื่องทุกอย่างมันมีทั้งแง่ที่ดีและแง่ที่ไม่ดีที่ที่เราจะมองเองถ้าเราเป็นคนแอคทีฟอยากทำนูรนทำนี้พอเราเกิดข้าได้กลัวล้วก็โอ้โบ่นนะไม่สบายไม่ชอบเลยไม่ได้ทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรถ้าเราต้องไปทําอะไรเราก็เบื่อไม่อยากจะทํา เราคนชอบอยู่เยียๆอยู่บ้านเฉยๆดีพอต้องไปออกงานออกการร้อนเดือต้องแต่งหน้าทาปากเข้างแตเนื้อแต่งตัววนวายเลหมดใช่ไ <c oughs> มัน <c oughs> มันสองแง่สองมุมอยู่ที่เราจะมองถ้าถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันจะมีแค่เดียก็คืออะไรจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นได้ทั้งนั้นถ้าจะอไปก็ไปถ้าต้องอยู่ก็อยู่ได้ทั้งนั้น ยังไม่ดีเหรอเราชนะทั้งหมดออกหัวก็เอาออกก้อนก็ได้วันนี้นนนวันนี้มานรืวันนี้วันนี้เขาไม่มาก็ไม่เหลือแล้วได้ใช่ไหมใครมาใครไปก็ได้ใช่ไหมใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปอางนั้นจะสบายใจไม่เดลือแล้วจะไปสบายในทุกๆเราไปชิดที่จุดบเองต้องอย่างนั้นก็องอย่างนี้น ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็โหจะดิ้นตายนะเราก็ <laughs> <laughs> ต้องแก้ปัญหาที่ใจเราที่พูดนี้ก็คือความอยากเท่านั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นก็ความตื้ที่เจ็ดติดก็เกิดจากความอยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรกาหนดกฎเกณฑ์อะไรบางสิ่งอย่างได้บางครั้งบางคราวเรายอยู่ในความ สามารถมีในการควบคุมบ้างนะว่าเป็นกเกิดเกินไปถ้ามันในลนักกันมาแล้วก็ต้องมีการกําหนดในเรื่องเวลาในเรื่องารกำหนดไปแต่ก็อย่าไปยึดติดกันมันมากจนเกินไปถ้ามันช้าบ้างเร็วบ้างถ้าครบบ้างไม่ครบบ้างขาด บ, บ้างเกินบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอาตายตัวทุกอย่างจะเป็นนี่เปี้ยเปี <c> ้ย <oughs> มันทำอะไรต่อนะออั้งแดนนะคะระบบที่เราอนาแล้ว ก็ส่ไปกองกนะคะแล้วก็มีการแลกสตงค์แล้วก็ไปลงโทนานเขมาแบไม่ใช่จะแรกสตังแลกสตังค์ในองีคนก็จบแล้วเราจบแล้ว้เราไปแลกออกมานั้นไม่น่าจะเป็นอะไรนะถ้ามันไม่ได้เป็นคาค่าว่าเราเพียงแกะทำงานไปแรกกันนั้นคุณค่าของเงินก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่เิ่มขึ้นคุณ่ของเงินไปลายมทนารันเข้ามา คือกระดาษนี่มันเป็นเพลงจากนส่ทั้งหลายส่อทั้ว่าเขาได้บจากเงินขานไม่คมเย่ตั้งใจจบมากไม่ค้มจรถ้าเแสดงว่ายึดติดกับดังิ้ราเครดิต้นคือของมนดีการจ่ายเคดิช้ามันก็เหมือนเชื่อที่ไม่ ถ้าจ <differences S 2> <shirt> ่ายก็ม <riff 26> ันจะรันเพราะมันเป็นกดเกณที่เขามีมาทั้งหมดครับ ไมเป็ไรอยู่ที่ว่าเราช่วาหม่เมื่กลาก็ยยมตนี้ไม่มีเงินก็ยืมยืมเพื่อนไปซื้อขอแล้วมาทำบุญก่อนแล้วก็เมื่อพอถึงเวลาเอาเงินไปคืนเขามันก็เป็นบุญของเราแต่ถ้าเราเราเอาเงินไปคืนเขาแล้วคนที่เรายืมเงินเขาก็ไม่มโมทนากมันก็เป็นบุญของเขาเขาคจะตายก่อนไม่ได้คืน ไม่ได้ใช้ขืนเขาอ่ะเจตนาเจตนาเขามีเี่ยแต่มันเป็น physical เนี่ยเขายังไม่ได้สมมอิถ้าาอยากจะแนะนำก็ไปกดไอเทยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวในนี้คืาได้ัดปัญหาคือให้ใจคือในกลุ่มได้บางทีก็ฝากกันนะฮะว่าฝากนย่เนอะท่านั้นท่านนี้แต่ว่าวหลังเจอกันค่ให้กันไหนแล้กั ที่นราตายก่อนถ้าเรตายก่อนมันก็ยังไม่ได้ใช้อะกวนนั้นก็ยังไม่ใช่ประโยชนมันเกิดมันสำเร็จที่เจตนาจะ่มายว่าตั้งใจจะทําแล้วก็ทําไปด้วยกายแต่ค่าของของของที่เราให้นี้ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ให้มันกลายเป็นภาระของคนอื่นไปทีีน้เป็นเป็นเงินของคนอื่นไปถ้าคนก็ของเงินเขาไม่ถือจ่าเราเขาไม่เขาไม่ เขมันก็เป็นก็มันก็เป็นเงินของมันก็เป็นยื่เขาตเขาไปเพราะว่าถว่าเขาเป็นคนทาเงินแทนไปการเป็นของเขาไปอนุโมทนาถ้าเรคิดว่าเรากลัวว่าเราจะตายก่อนที่เขาผมเงินมาเราก็เราก็เองินสย้เรื่องเงินสดสะเวลาทำนก็ทําร้วยเงินสมันจะได้หมดปัญหาไปไม่เสียเดี๋ยไม่าถ้าคนที่ให้ยืมแล้วก็ไม่อนุโมทนาที่ ติดไป็นว่าแลเป็นนี่เขาเป็นวัดไปใช้ก่อนแล้วทนี้ท่านก็ท่านจบเลยทีนี้ท่านตายทีก่อนท่นเป็นเต็มยังไม่ได้คืนใ่ไหไม่คืนก็ใช่เป็นเต็มันชื่อก็ผิดในกรณีตอนหลังท่านเป็นจวนท่านท่านก้าท่านกัลยาณมิตราใช้คืนก้าวไม่เป็มเต็มยังเป็นกังวลยู่แต่พี่ว่าตองคนที่ตาย ทันมันอยู่ท่จะไม่เข้าใจิดตรงนั้นยังกลมันก็เลยวนเวียนเดงกนะน่าจะถ้าทําวามดีเช่นสร้างเจดีย์แล้วสร้างไม่เสร็จแต่ยังมีความถูกพันอยู่ก็ยังมาวนเวียนอยู่ฐานเจดีย์ในปวันหงปูมันี่ป็ทวิบัติธรรมใชอาเพราะทำเราทำแบบไม่ปล่อยไงทำแบบยึดติดว่าเป็นของเราเจดีย์ของเราเราสร้างพริงเราก็รจะคิดว่าเราสร้างให้กับศาสนาเมื่อเราทําไปแล้ว ก็จะว่าเป็นของศาสตร์อะไปขาดขาดกันเลยอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นของเราตของที่เราให้ใครไปแล้วอย่าไปจ้องหรือว่าเ้าไปทำอะไรไปทำตามที่เราบอกดีกว่าของเรานะกฎติของเราของของเราไม่ใช่แล้วถ้าเราให้ใคร้าไปแล้วไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของเราเองแล้วถ้าเป็นของเราแสดงว่าเรายังไม่ได้ให้เราให้ทางกายแต่เราเราไม่ได้ให้ทางใจ ใจเลยยังยังยังเี่าไปเป็นของเราอยู่ไว้แล้วดูฉันแ้ว้้ดูฉันงตเา้องดูลุงตาตักเลยก็ช่วยไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของคนเรามันชอบยึดชอบจุดนี้ก็คนเราระดับจุดนี้หลายระดับก็ต้องสนใจเขาต้องเข้าใจเขาเขายังยึดจิตอยู่กับนู่กับนี่กับอะไรอยู่ก็ต้อง แต่ถ้าคนทาทานทำบุญที่เข้าใจแล้วจะรู้ว่าเราทําเพื่อเพื่อตัดความกังวลตัดความถูกคนในสิ่งของที่เรามีอยู่ดังนั้นสิ่งนี้มันอยู่ที่ตู้เราอยู่ในบ้านเรามัไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปให้เขาไปใช้ายดีกว่าเมื่อให้เแลาเขาจะไปใช้หรือไม่เราอย่าไปคิดมากถ้าเราไม่แน่ใจเราถามก่อนว่าต้องการไหมอยากจะได้ไหมต้องการไปใช้หรือไม่เวลาเ้าต้องการก็ให้เข้าไป เราจะคิดในในทางที่ดีก็ได้ถ้าเขาไม่ใช้เขาก็อาจจะให้คนอื่นต่อไปไม่ใช้ก็เลยมันก็ต้องไปถึงคนที่เขาใช้ใชอยู่ดีมันก็ได้ใช้อยู่ดีแต่เราจะไปเจาะจังว่าจะต้องเป็นคนนี้เป็นถวายหลวงตาแล้วนงตาจะลต้องฉันให้ได้เปหนวงตาเพีนคนเดียวคนถวายต้องเป็นเรา จะไปฉันฉันได้ยังไงเนี่ยเดลุกตาไปให้คนอื่นได้ยิ่ยงเคืองเข้าไปใหญ่หรือเปล่าไม่ไล ห, หลงคันการที่จะเป็นบุญก็กายเป็นบาปการเป็นบาปความเครืองนี่ก็เป็นบาป้วเป็นอกุศลนะก<ม>ารทํำอะไรให้ไปรับต้องตัดใจ ท, าทําลีเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของหักการแล้วเป็นของคนที่รับไปแล้วเราจะไปทำร้ายเขาเรื่องของถ้าเรารู้ว่าเขาไปทําไม่ดีไม่ลัต่อไปเราก็อย่าไปให้เขาค่นั้นเอง แต่ถึงว่าให้เ้าแล้วก็เอาไปเล่นกลางถนัน<ม>เอาไปซื้อเหล้ากินอย่างงี้ยต่อไปแล้วก็อยากไปให้เขาถ้าก็มาขอเงินซื้อข้าวก็ซื้อข้าวให้เขาเลยอย่าไปให้เงิน อ, พอพย่างงี้เพราะที่เขาจะหลอกล อ, อย่างเงี้ยทำในสิ่งที่ไม่ให้ถูกไม่ถูกแต่การให้มันดีเพียงแต่ให้เราต้องรู้จักให้แล้วให้ไปเลยอย่าอย่าอยามีความผูกพันกับสิ่งที่เราให้แต่ถ้าเราจะติดตามก็ติดตามดูว่าเขาทํารือตาม ทำประโยชน์หรือปัดทำเองเองถ้าก็ไม่ทําประโยชน์เราจะรู้ว่าคนนี้เราไม่ควรที่จะให้เขาอีกต่อไปให้ไปให้ไปแล้วเอาไปทําทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี้่ล้วก็เสียดาวผีดาวเงินผีดาวทําที่เราให้เขาแต่อยไปคิดว่าเป็นของเราให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยเนเป็ที่ที่ยากหนึ่นนกงก็คือว่าอุปทานในในกลุ่มคนขึ้นเป็นที่รักที่ผูกพันกันมากนไง ตัวนี้เป็นการขออุบายในการคายนี้นเพราะว่าวถ้าสมมติคนมันก็ไม่ค่อยรู้สึกระที่อะไรเจอขึ้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยจะมีอุปท า, านอันนี้มากมันก็ต้องพิจารณากายอยู่เรื่อยพิจารณาการเกิดการดับของกายนี้อยู่เร็่ยการของคนในในิสก็จะกายเป็นกระเดื่องกายเป็นที่เท่าที่ฐานไปอยู่เรื่อยๆ จะให้ลักกันขนาดไหนมีความผูกพันยังขนาดไหนมันก็เป็นแค่กองกระดูกเท่านั้นที่เราเป็หลงรักเองความจรงแ้วเขาความดีของเขาคือเราไปติดในกายแต่ความจริงคนตัวของคนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กายตัวของเขาอยู่ที่จิตของเขาแล้วจิตของเขาถึงแม่ร่างกายจะตายไปแล้วถ้าเขาเขาทำความดีไว้เขาก็จะรัได้รับความดีจากการการะทําของเขาเราไม่ต้องมีกลัวเราต้องค่ด ว, ว่าเขาก็ไปดีเขาก็ได้ไปเกดดีต่อกัน สิ่งที่เราไปยึดไปถืก็คือกองท่าเทียงหนึ่งใ น, นดินน้าในฝันแต่เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณาเราก็คิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเป็ น, ปนกรในขอแต่แท้จริงแล้วมันก็เป็นแค่ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นขี้เท่าที่ทานะมเดเศษตันเหลือที่เราเอาไปลอยอานคานนี้เร า, เาไปบรรจุไว้ในในผ้าอกในในเจดีย์จะสุดแค่แต่ว่ากันมันก็เป็นเพียงแต่แค่คาร์รถยนต์ หนึ่งเป็นเครื่องมือของจิตดวงนั้นที่ก็เอามาใช้ในการการติดต่อกับยราร่างกายของเราก็เป็นเหกัของของเขาเขาก็เป็นกองกระดูกเหมือนกันเป็นเป็นที่เท่าต่อไปก็จะเป็นที่เท่านพิจารณาอย่างนี้เลยเราก็เราก็จะเข้าใจเวลาพิจารณาดูดูจนกระทั่งเห็นว่าการนี้เป็นแค่ภาพสีวินาศมีไส ก็ได้พิจาลาตามที่ท่านจาบอกนะคะแต่ก็มีความรู้สกการที่คิดตามที่ท่านบอกมันยังเป็นเพียงความจำตลอดยังไม่พอเรายังขึ้น้อยไปพิจารณ้อยไปเราจะต้องพิจารณากระทั่งมันทาลายความรู้สึกเดิมๆให้หมดไปทํารู้สึกว่าเป็นคนเป็นนายกอนายขอจะรู้ว่าพิจารณามองนกรงนาขอที่ไรล้วจะรู้ว่าเออมันแค่ดินน้มีงไฟน้เงก็คิดเท่าที่ถัเดี๋ยวมันก็กลายเป็นคิดเท่าพี่ถางไป พิจารณาไปเรือยๆต่อไปมันจะมันจะสามารถที่จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับการเป็นการตายของคนคนนั้นได้จิตใจก็จะเฉยหรือเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายป็นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบของคนคนนั้นตัวที่แท้จริงของคนนั้นไม่ใช่ร่างกายในเวลาที่พระพเจ้า ดักฐานเรงนี้ผ่านเนี่ยก็เพียงแต่ร่างกายเอ้แต่จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับไปกับร่างกายที่แต่ท่าไม่มีเครื่องมือที่จะมาติดต่อกับางพท่านไม่ได้กลับมาเกิดต่อไปท่านพี่นันคะถ้าสมมว่าที่ท่านจันทรว่าให้มีสติรู้ตัวดีดอตลอเวลาไหมครับท่านจอ แล่ว่าอากาศยืยันยืนแลงอื่นเดินนั่งนอนอะไให้มีสติรู้กับการที่จะอยู่กับพุทโธตลอเวลาเนี่ยมัจะแน่นั่งแบบนี้แล้วแต่เราจะถนัดนี่ยถ้าเราถนัดใช้มีพุทโธกากับไปเรื่อยก็ได้แล้วก็มีพุทโธมันก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆในเดือดในแนวเรากนได้แต่ถ้าสติเราแข็งพอบางทีเราไม่ต้องพุทโธก็ได้ก็เป็นจะให้อยู่กับอยู่กับยืนยันแบบการเคลื่อนไหวและดูความคิดขึ้นจะปรากฏขึ้นมา ก็ตามความถนัดตามความแต่ความคิดที่จะประกวดนี่ตามยากมากเลยยากส่วนใหญ่เริ่มต้นมันจะเรียวตลอรมากมันจะละเอียดกับเราด้วยแล้วบางทีก็ต้องใช้พุทโธแต่ที่บางคนมันอาจจะไม่ถนัดเพราะมันเหนื่อยถ้าต้องพุทโธทั้งวันเนี่ยแต่บางคนถ้าถนัดเขาก็สบายเขาก็ทงเไม่ไปตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีความคิดอื่นแน่นอนคำนึนมันก็มีบ้างเพราะว่า ว่เวลาที่เราเริ่มต้นมันมันจะไม่สามารถจะสกัดความคิดได้ตลอดเวลาเห็นไหว่าเราก็ทําให้มันเบาลงไปให้มันน้อยลงไปแล้วเรามีอะไรมาคอยต้านบ้านคือพุทโธแล้วถ้าเราพุทโธมีมีกําลังมากขึ้นความคิดต่างๆมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆเบาๆลงไปเรื่แล้วกระทังในสุดเราสามารถควบคุมความคิดได้จะดึงความคิดมาคิดให้ให้เป็นปัญญาก็ได้เช่นดึงมาคิดให้ ใ ห, ให้ดูร่างการนี้ว่าเป็นธาตุสิีหน้าหนึ่งไปพิจารณาแยกแยะอะไรไปสดูๆใช่แล้วการที่แจ้งแจ้งที่ทว่าในขณะหนึ่งเนี่ยจิตมันคิดอะไรอย่างตรงนั้นไม่ใช่เอ ก, ก, ก <c oughs> คพตาจิตไม่ไม่ถ้าเอกภพตาจิตนี้มันจะเล่งไม่มีความคิดไเลยไม่มีความคิดนะไมีอรอยู่เลยมีแต่สัจจะวานี้ อ, อย่างเดียวในขณะนั้นมันต้องอยู่ในใกล้ๆในในในสมาธิึันติเลย สมาธิแบบนักเรียนสมาธิเป็นเอกสาเหนแต่สมาธิแบบที่ว่าเราให้มันอยู่กับปัจจุบันแต่มันจะคิดอะไรก็ยังคิดได้อยู่ตั้งอยู่ในปัจจุบันแต่เราเราจะมามีสติคอยควบควบคุมบังคับให้ความคิดของเราอยู่ในกรอบของธรรมะอยู่ในมรรคเช่นเวลาจะคิดถึงคนในกอในขอก็เอ้ยไม่ใช่ในกอในขอนะที่จริงถ้าเราเป็นแค่ดินน้ำมีไฟนั่นเอมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเราไม่กินอาหารจะมีร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ไหไม่ได้ ร่างกายมันมาจากอาหารอาหารมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเมื่อคนตายไปร่างกายมันมัน ก, มนก็มันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟ